เรียมเสดียงไปฉบับที่ 2426 ประจำวันที่ 11 ที่ 11 2547 วงถามขับรถชนคนตายบาปหรือเปล่ารถชนคนตอบ กฎหมายจะมองว่าใครผิดใครถูกตราก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาทั้งสิ้นทรงความเป็นธรรม พอจึงค่อยพบหลักฐานใหม่โทษผู้ต้องหาไปหลายปี ส่วนกฎแห่งและๆ กรรมที่เกิดขึ้นโดยเจตนาอันเป็นบุญ ขับต้องดูกันในขณะแห่งการเกิดเหตุว่าชนคนตายถามวันฝนกําลังตกวิ่งประมาณแปดสิบเหตุ ชนเธอจนเธอกระเด็นไปเธอมาทับเธอและหนีไปเธอกระเด็นไปพูดจะไม่รู้เรื่องแต่ทราบในภายหลังว่ามีรถหนึ่งตอบ 80 ถือว่าไม่ได้ประมาทเพราะฉะนั้นกรรมที่เกิดจาก ทำบาปโดยการขับรถโดยประมาท ผู้หญิงนั่งกลางถนนถือเป็นเรื่องเกิน เธอตายเพราะเจตนาของตัวเองไม่ใช่ตายเพราะเจตนาวางแผนค่าเพราะเจตนาของ 3 สำหรับกรรมแต่คือ ถือว่าเกี่ยวกันกับการก่อกรรมข้อปาณาติบาตใน หลังเกิดเหตุเกิดในการตัดสินของกฎแห่งกรรมคุณไม่มีความผิดที่ต้องชดใช้แต่ประการใดและวิญญาณก็ไม่น่าตามมาหลอกหลอนให้สบายใจได้ อย่างไรก็ตามในทางโลกคุณอาจต้องวุ่นวายตามถูกเรียกค่าช่วยเหลือหรือถูกตัดสินอะไรแบบที่ต้องให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไปอีกสักพักโลกอดีต ผมรู้สึกเห็นใจคุณมากนะครับรู้สึกเห็นบรรทรสุขภาพจิตได้มากถึงมากที่สุดคุณๆถามกรรม ในวงเล็บวงเล็บตอบขอให้มองว่าวิบาก เธอครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างเป็นตัวเลือกสุ่มของกันและกันตัวเองเข้าคือไปยัดเยียดความรู้สึกผิดและความเดือดร้อนให้คนอื่นวาง กรรมของคุณเป็นเช่นหาก ส่วนที่ว่าควร 1 2 ตระหนักว่าเป็นวิบากเก่ามาทวงนี้ 3 วาจาใจเช่นกําหนดว่า หรือจนกว่าจะรู้สึกสว่างอบอุ่นจนกว่าจะรู้สึกสว่างอบคือ 4 สำรวจการกระทำของตนเองอย่างละเอียดการกระทําของตนเองอย่าง